เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีเป็นของเก่าของแก่แต่หาผูกคนพบทินี้พญายนารู้ที่จะนำมาแนะนคนอื่นนั้นมันยังไม่มีคือปัญญายังไม่ถึงไม่พอใจว่า จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจะพิจารณาอย่างไรจิตใจจริงจะถอดถอนเบื่อหน่ายคลายกำนัดในลุ่มหลงวกวนอยู่ในโลกในสงสารต่อไปคนที่ก่้นพบยังไม่มีทั้งทั้งทีมีนักบวชหรือสีลสีภัยอยู่มากมายแต่ก็จะเข้าไปถึงความจริงของ การจะทำนั้นยังไม่มีใครที่สามารถเปิดทำให้คนอื่นเห็นได้เหมือน ก, นกันกับของอยู่ในที่ปิดบังเอาไว้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรสงสัยกันคนนั้นก็อาจะมีอันนั้นคนนี้ก็อาจะมีอันนี้แต่เมื่อเปิดดูแล้วต่างกันต่างคนก็ต่างเห็นตามเป็นจริงหรือ ม, มันมีอะไรอยู่ในนั้น นี่พระพุทธเจ้าถ้าเก็ว่าเปิดสัจธรรมให้พวกเราผู้ที่มุ่งอยากรู้อยากเห็นได้รู้ได้เห็นกันแต่ผู้ไม่มุ่งในการอยากรู้อยากเห็นถึงการเปิดแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปดูกันดูแล้วก็ไม่สนใจว่าอะไรเป็นอะไรในนั้น เมื่อมันเป็นอย่างนั้นความเบื่อหน่ายความรู้แจ้งความเข้าใจจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้ามันจึงไม่เกิดขึ้นท้าทั้งสีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าปล่อยวางสิ่งต่างๆนั้นไปแต่พวกเราทั้งหลายก็ยังวุ่นวายยังกังวลยังสนใจยังอยากไดา้ ความอยากของใจมันยังมีมากแต่อยากในสิ่งที่ผิดมันจึงเป็นผิดเป็นภัยใหม่เผาตัวของเราถ้าอยากในสิ่งที่ถูกทำในสิ่งที่ถูกมันก็ไม่เป็นผิดเป็นภัยอะไรพระพใทธเจ้าอยู่อาศัยโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มันก็มีอยู่อย่าง ที่พวกเราอยู่สมัยทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันความแจ่ความเจ็บความตายความพัค่าจากสิ่งที่รักที่ชอบใจมันก็มีเหมือนเดิมแต่ทานรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจชัดเจนเป็นจริงในจิตความแจกก็ดีไม่มีวิธีใด ที่จะแก้ไขถึงจะมีหมอดีวิเศษขนาดไหนจะมาแก้ไขไหมแก่มันก็แก้ไปอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแก่ไปแก่ไปอยู่อย่างนั้นความเจ็บก็เหมือนกันถึงจะมียุบยาดีดีขนาดไหนรักษาโรคนี้หายโรคใหม่มันก็เกิดขึ้นมันมีความเจ็บอยู่เป็นประจำสำหรับ <c oughs> สัตว์สำหรับบุคคล โรคอื่นทางนอกถึงเรียกว่าอาคันทุกะโรคหรืออาการทุกะทุกไม่เกิดขึ้นนิด จ, จะทุกคือโรคประจํามันก็เกิดขึ้นนั่งนานๆมันก็เจ็บก็ปวดไปเดินนานๆมันก็ปวดแข็งปวดขากลับไปหมุนมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่ท่านเลยชื่อว่าทุกมันทุกมันไม่เคยสุข ห <c oughs> ลวงไพมันเบียดเบียนอยู่แต่อนอน น, น, นานๆไม่ไปไหนมันก็ไม่ได้อ ก, กินมากๆ ม, มันก็ไม่ได้ทายมากๆ ม, มันกลัวตายมันไหนมีสถานที่ใดมันสุขวันสบายให้แต่ก็หลงไหลแต่ความตใจล่ะมันก็ไล่เข้ามาทุกการทุกเวลาสาธิตพี่ใจ้านะละเอียดเรามานั่งตรงนี้มันกลัวตายไป นับไม่ได้หายใจออกมันก็ตายหายใจเข้ามันก็ตายร่างกายมันแปรสภาพของมันอยู่อย่างนั้นในวันหนึ่งหนึ่งที่มันตายมันก็นับไม่ได้ที่เราเห็นด้วยตาไหนว่ะถาดอะไรถาดดินแล้วถ่ายออกมามันก็จะชิวมันตายมันก็ไม่ใช่ว่อกแต่งแจ่มันออกแต่งแจ่ถาดดินแถานั้น ห่าลมมันก็ดันออกมาอากาศมันออกมาหน้ามันก็มีความชุ่มในอุจลาระไฟมันก็มีความอบอุ่นมันออกมาใหม่ๆมันตายไปด้วยกันทุกวันน่ะบวมน้ำลายออกมามันก็ตายหายใจออกหายใจเข้ามันก็ตายออกมาตามร่างกายมันก็ตายความตายแต่มันมีสันติคือความสืบต่อไว อันนี้ตายไปอันนั้นเกิดมาแทนเหมือนกันกับไฟไฟมันดับไปเรื่อยๆแต่มันต่อเนื่องกันอันนั้นดับไปอันนี้เกิดแทนอยู่เรื่อยๆถ้ายึเชื่อมันยังมันเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นก็เลยไม่ทราบว่ามันหมดไปไฟที่ยังอยู่เดี๋ยวนี้เป็นไฟอันเก่าหรือเป็นไฟอันใหม่มันเลยไม่ทราบได้มีความ หมดไปของสังสารหล่างกายมันมีสันตาติสืบต่ออยู่เหมือนกันนานๆเท่าถึงจะทราบว่าเลาแก่เล่าเท่าถาหากไม่นานอยู่ปัจจุบันเลยไม่เห็นกันเพราะมันเกิดเร็วเรื่องของสันตาติมันตายไปเร็วเหมือนกันจนไม่ทราบอย่างอารมณ์สัญญาที่เกิดขึ้นมาก็เหมือนกันมันตายไปเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็เอาของเก่าหมุนกันไปวนกันมาแต่ก็ล้อยู่อย่างนั้นหมายถึงเรื่องของธาตุของขันของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนตาก็เห็นหูก็ได้ยินใจก็ได้คิดแต่มันก็ยังไม่ถึงวาลาจิตที่มันจะเบื่อจนหน่ายแต่นั้นท่านจึงให้มันที่นี่พิจชายนาะตาดูหูฟังใจคิดอยู่เรื่อย จนมันรู้มันเห็นมันเข้าใจชัดเจนมันเห็นเป็นธรรมดาจริงๆจังมันไม่ตื่นเต้นมันเป็นธรรมดาไม่มีการห่วงการห่วงการยึดการถือมันปล่อยปาลาดทิ้งธรรมดาหลังกายสิมันแตกมันสลายก็เหมือนกันกับเรา ถ่ายออกไปคือเราเคยถ่ายแต่เราไม่เคยเสียดายเว่าเราถ่ายออกไปเราเสียดายทำไมมันออกไปมากอย่างนี้ทําไมมันออกไปเป็นอย่างนี้มันไม่เคยเสียดายนาลายที่เราบ้วนออกทิ้งเหมือนกันถมอวกทิ้งมันไม่เคยเสียดายพอมันออกอยู่เรื่อยเรื่อยมีความเกิดความตายของเรา แตพิจารณาให้เข้าใจชัดเจนมันก็อันเดียวกันกับสิ่งที่มันร่วงไปหายไปมันไม่มีอะไรแตกต่างกันพาดอันเดียวกันที่มันจะแตกจะสลายใจใจของเรามันหึงมันห่วงมันไม่อยากให้มันแตกมันสลายเหตุนี้ยมันจึงเกิดทุกข์ทางจิตทางใจขึ้น แต่ก็ห้ามไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะกัน้นการความตายให้หายไปถ้ามีเกิดเมื่อใดความตายมันเป็นคู่อยู่เหมือนกันกับมีวัตถุจะต้องมีเงาวัตถุนั้นนั้นถ้าไม่มีวัตถุเงามันก็ไม่มีถ้าไม่มีเกิดตายมันก็ไม่มีถ้าไม่มีเราเขามันก็ไม่มีอีกเหมือนกันแต่นั้นการพี่เรณาเข้ามาภายในเพื่อแก่ ไขจิตใจข้องตัวเห้รู้ทั่วในสิ่งต่างๆจึงเป็นปัญหาสำหรับทุกคนที่ควรพินิตรเจนาะถ้าศึกษาพิจารณาเข้าใจในตัวทั่วถึงเรื่องอื่นภายนอกมันก็ทั่วถึงไปหมดจะไปหลงอะไรทำไมหลงตัวข้องตัวหลงตัวข้องตัวแล้วก็ยุ่งเกี่ยวไปหมด ผูก พ, พันไปหมดเป็นลูกโซ่ความเกิดความตายก็ทำนองเดียวกันถ้าเรายังหลงอยู่เมื่อใดมันก็ไปอยู่อย่างนั้นไม่มีจุดหมายปลายทางให้วกไปวนมาพอเป็นลูกลูกเป็นพอ่อวนไหวอยู่อย่างนั้นแต่ก็หลงกันเพราะไม่ทราบแบบ พบเก่าศาสตร์ก่อนเป็นอะไรมันหมุนไปวนมาสัญญาณิจจาคมหลงมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่นั้นการแจกไขการพิจรารณาขับไล่ความสงสัยความข้องใจมันจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องกำหนดที่นีพิจรารณาเราเกิดมา ทั้งชาติความเกิดของเรานี้มันได้อะไรในการเกิดมาจึงอยากจะเกิดอีกต่อไปเกิดมาแล้วกันเป็นอยู่ของเรามันสุขหรือมันทุกข์มันสุขเพราะอะไรมันทุกข์เพราะอะไรที่เจนาเข้าไปให้มันทราบในจิตในใจแล้วความสุขความทุกข์นี่มันแน่นอนไหม มันปวดใจทราบอีกบ่างแล้วไม่มอะไรแนนอนไม่มีอะไรมั่นคงแล้วเกิดไปอีกพบหน้าชาแนา่มันจะเป็นอย่างไรมันกว่าท่าน้องเก่าปัจจุบันมันมีความสุขความสบายขนาดไหนจึ่งอยากเกิดอยากตายอีกต่อไปเกิดมาแล้วภาระในการที่จะรักษามันมากขนาดไหนตแต่ใจเพียง ตายของตัวถวั่วเท่านั้นนั่นก็เป็นปัญหาสำคัญเป็นปัญหาใหญ่หญิงมีพระขว้วเกื่อนฟูงมีลูกมีล้านมีเกื่องยิงเจียวพันธะมากเท่าไรใจก็ยิ่งเกิดทุกเกิดโทษมากเท่านั้นแต่นั้นแต่จึงให้พี่เจนะํำระใจของตัว ตี่ไปยุ่งเกี่ยวติดข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะความติดข้องยึดถือนั้นมันทำให้เกิดเป็นเพราะเป็นขาดไปได้ทำให้เราทุกเราอยากเราลำบากต่อไปเมือเราไม่แก้ไขเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีจุดจบให้มีแตจ่จะวนเวียนเลื่อยไป เราแจกไขพินิจพิจารณาสัมนใจของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหายใจบริสุทธิ์หายใจรู้ทั่วในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันของทั่วโลกนั่นก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยพระพุทธเจ้าดับโลกสามก็คือดับ อยู่ในจิตในใจของท่านไปใช่ว่าท่านไปฆ่าไปทําลายตามมาโลกรูปะโลกอรูปะโลกท่านเลยไปทําลายท่านทําลายอยู่ในจิตในใจของท่านท่านพิ่เจนะในจิต ใ, ในใจของท่านตามมาโลกก็คือความอยากในรูปในเสียงสี่ตัวต่อการันเยอทะายานอยากกําหนัดยินดีเพลิดเพลินไม่ใช่ กามโลกหมายถึงสัดสีกามเท่านั้นคือใจมันเป็นกามใจมันยินดีใจมันเพิดเพลินในเรื่องรูปเสียงปินรดสัมผัสต่างๆเรียกว่ากามโลกคือมันยินดีในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะมนุษย์ตัดถั่วไฟมันก็เป็นกามโลกเหมือนกัน คือมันยังยินดีในกามมัจจิเรศอยู่กามตัวนี้มันเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงของใจถัาจรยวกว่ก า, มมาการมัจิเรสคือความไข่ของใจเราเองเรียกว่าการมจิเรสหรือกิเรศสักามส่วนวัตถุ ก, การมคือวัตถุที่เราไปยินดีไปอยากได้เรียกวัตถุกรรมถ้ามันมีตั้งแต่ กิเลสกรรมวัตถุกรรมไม่มีมันก็ไม่ค่อยจะร้ายแร่าไรเหมือนไฟมีอยู่แต่ไม่มีเชื้อที่จะไหม้มีเชื้ออยู่แต่ไม่มีไฟมันก็ไม่เกิดไม่เกิดเผากันดังนั้นเราก็เป็นคนที่มีกรรมวิเิตรหรือกิเลสกรรมมีในใจวัตถุกรรม ถึงล้วไล้เราต่องการก็มีขึ้นอีกก็เลยเป็นกันไปใหญ่เพลินกันไปใหญ่หลงกันไปใหญ่การหลงการเพลินในเรื่องของการไมเ่เลสนั้นมันจะต้องแก้ไขกันด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องเหล่านั้นมาแก้ไขเอาวัตถุที่มีอยู่ เราต้องการมาแจกไขไม่มีทางที่จะหมดไปได้มีแต่จะเพิ่มความอยากเร่อยไปอย่างคนที่ยังไม่มีเข่าของเงินทองก็อยากมีเข่าของเงินทองถ้ามีร้อยมีพันกับเขาเราคงจะสบายใจพอมีร้อยมีพันขึ้นไปก็อยากได้มื่นได้แสนกับเขาพอมีมื่นมีแสนก็อยากได้ล้านนี่ความอยากมันไม่มีฝั่งมีฝามีแต่อยากเรื่อยไป คนที่รูมหลงในรูปก็เหมือนกันคนที่กำหนดในรูปในรูปนั้นมาคงจะดีจะมีสุขพอได้มาก็ปราถนารูปอื่นเหตุนั้นมันจึงไม่มีที่จบที่สิ้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันจึงแก่เรื่องการมไมิเลี่ยไม่ตกนอกจากปัญญาที่จะพิจารณา หาทางแก้ไขมันคือโอรวมใจของตัวเองที่มันคิดมันปรุงอย่างนั้นมันให้ความสุขเพราะความหลงของใจถ้าหากใจไม่หลงใจรู้โดยการฝึกหัดปฏิบัติภาวนาใจสงบได้รวมได้โดยไม่ไปเกาะเกี่ยวกับวัตถุอะไรความสุขความสบาย ความพ่องใสของจิตของใจที่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนมันผิดกันไหมกับความสุขที่เราไปเสพไปจูบไปกอดไปยินดีเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นมันจะเียบกันได้แตความสุขทางอัตทางธรรมทา ง, ทางสงบนั้นเป็นความสุขที่มีคุณค่าใั่จัรเป็นความสุขที่ดีวิเศษยิ่งกว่า ความสุขกับจิเลดที่ไปเพิดเพลินมัวเมาเหล่านั้นนี่คือการที่จะให้ใจมันละมันคลายในความคิดปรุงเรื่องของการมเพราะการฝึกจิตอารมจิตใหเห็นผลคือความสงบของจิตเกิดขึ้นจากตนท้องตนแล้วก็เทียบความสุขส่วนนี้กับความสุขส่วนนั้น ว่าอะไรมีคุณค่าสาระกว่ากันเหมือมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ติดข้องไม่เพลิดเพลินไปในเรื่องของกลามเท่าไรการที่ทำใจให้จุกให้สบายได้อย่างนั้นพอเราทำอย่างไรมันก็สนใจอยากทำพอทำไปทำไปใจสงบใจรวมเมื่อมันถอดถอนออกมา มันอาจจะเกิดอุค ห, หาหรือปฏิภาคของจิตของใจอุคหาคือความติดตาลืมตาอยู่ก่เห็นหลับตาอยู่ก่เห็นถ้าหากมันเห็นอุคฮาด้วยสติด้วยปัญญาในทางธรรมะมันก็หายจาก ความปุ่งปุงยงเกี่ยว <c oughs> ในทางการมราคหาไฟในระยะที่มันเห็นมันเป็นอุคฮาหะอยู่นั้น <c oughs> คือมันเห็นความตายกาดีเห็นความเน่าของกายกาดีเห็นตับไตไ่พุงกดีหรือเห็นกระดูกกดีสึ่งเป็นของที่เราเพิดเพลินหลุ่มหลงว่ามันงามอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้ที่ยังไม่มีธรรมะ มีปัญญาถือเอาก่อนขี่อันนี้เข้าใจว่าข้องดิบข้องดีมันห่อดีห่อด้วยหนังแล้วก่สําราสาสารเงยึดปะด้วยดีทาสีให้สวยงามเข้าใจว่าห่ออันนี้เป็นหอ่อของที่มีคุณค่าแต่ผู้ทีเขารู้เขาเข้าใจ ในอาจในธรรมนั้นห่ออันนี้คือหอขี้มีแต่ข้องเน่าข้องเหม็นหยุดข้างในไม่มีอะไรที่น่าเลื่อมใส่ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าสาระให้มันก็ไม่แบกไม่หามไม่แตะไม่ต้องเพราะแตะต้องมันก็จะมาถูกมือให้เหม็นแบกไปหามไปก็ไม่มีผลมีกาไรอะไรนอกจากจะหนัก นี่ท่านต้องเห็นต้องเป็นในกิจในใจของท่านผู้ที่พิจารณาทางด้านอาจิธรรมเมื่อใจมันเกิดอุคหาหะเกิดปฏิภาคคือพิจารณาความตายจานวนคนหนึ่งแยกออกไปพิจารณาออกไปเป็นพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนก็ได้เห็นอันหนึ่งมันแผร่กรจายไปหมด เรานั่งรวมกันอยู่นี้มันก็ตายเดือดกันหมดมันเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะตายจะเพียงคนหนึ่งคนใดเท่านั้นมันตายดือกันทั้งหมดเหล่าร่างกายของทุกคนมันก็เน่าเดือดกันทั้งหมดไม่เชื่อก็เอามือล่วงเข้าไปในทวารหนักเอามาดมดูกวรู้ว่ามันเน่ามันเหม็นหรือไม่หรือมันเป็นของหอมมันตตออกมาจาก จหมูกจากปากนั่นก็ทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นของปฏิกูลที่หมู่มัมนดีไหมถูกถ้วยจานอาหารน้าดื่มเป็นอย่างไรนําลายผิดถมเอาไว้ น, น, นานๆมันเป็นอย่างไรตลิ่นของมันมันหอมหรือมันเหม็นเหี่ยวมันออกมาจากตัวของเราทํานองเดียวกันจะว่า ส้มเดินได้ก็ทุกเพราะอยู่ในส้วมในฐานมันออกไปจากเรามันไม่ได้ออกไปจากที่อื่นแต่มันออกไปอยู่ข้างนอกเรากดถือว่าของเหนียวของเหม็นไม่อยากเข้าไปใกล้แต่มันอยู่ภายในกอดกองขี้อยู่กดถือว่าของดีของดีนี่คือจิตใจมันลุ่มมันหลงที่เจนะให้มันถั่วมันถึงให้มันเห็นไปจากชัดเจนในจิตในใจเรียกว่าอุคหะจิตตา ไม่ได้ดูแต่งแต่เพียงหนังเท่านั้นดูเข้าไปเชิงภายใ น, นให้คอยใจชาติเจนเห็นประจักษมันเห็นอย่างนั้นมันติดอย่างนั้นจิตมันยังไม่หลุดไม่ล่วงไปพอกําหนดใจมันก็เห็นอุคหะเห็นปฏิภาสเห็นรูปอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่กําหนัดยินดีไปในทางกามารมณแต่มันติด ในรูปที่ตัวเห็นในจิตในใจคันว่ารูปประพบเป็นทมคนที่ตายไปอรูปประพบคือพียงที่ไม่มีรูปเช่นแสงสว่างก็ดีความว่างของจิตก็ดีเมื่อพิจารณาไปมันเป็น กำหนดอะไรมันก็ไม่มีอะไรความสมมุติบันญมายบ่ายยิ้งบ่ายชายบ่ายส่วนไม้ภูเขามันดับไปหมดเพราะจิตไปขาดไปหมายมันเป็นไปได้เกิดแสงสว่างในจิตในใจมันเป็นแบบนั้นมันจิตแบบนั้นถ่าตายไปในขณะนั้นก็ไปรูปประพบอรูปประพบคือมันไม่มีรูปมันกําหนดสิ่งที่ไม่มีรูป แต่สิ่งเหล่านั้นมันก็มีอยู่ในจิตทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่มีอะไรอยู่นอกกายนอกจิตของเรานีาพระพุทธเจ้าท่านพิจารนารู้เข้าใจแล้วสิ่งที่เนื้อพบทั้งสามนี่คืออะไรท่านก็ทราบอีกสิมั น, เ ป, นเป็นพบทั้งสามอะไรเป็นท่านก็ทราบเมื่อทำลายความลุ่มหลง อวิชาความมืดบอดของจิตของใจให้แตกสลายไปความเหลืออยู่คืออะไรท่านทราบมันทำลายโลกสามทำลายในใจของท่านไม่ไปทำลายที่อื่นนี่เรากว่าพี่เจนาตัวของเราเทถานั้นมันก็ถูกโลกสามทำลายโลกสามได้แล้วสามารถที่จะ เห็นความเหนือโลกคือพระนิพพานถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องเห็นเป็นไม่ได้อยู่ในจิตในใจของตัวนี่หมายถึงทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแน้สอนแต่พวกเรามันไม่ถึงขั้นนั้นยังมุ่งอยากเกิดอยากตาย มีความสุขความสบายในภพในชาติเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้ามีธรรมะมากเหมือนน้ำในมหาสมุทรเราจะตักออกเท่าไหร่จนตลอดชีวิตของเราตายไปมันก็ไม่หมดไม่แห้งธรรมะของพพุทธเจ้าก็มากเหมือนกันอย่างนั้นใครอยากได้ ตอนไหนอยารู้อะไรท่านสอนเอาไว้เราจะยินดีการเกิดการตายอีกต่อไปแต่ไม่ปราถนาความทุกข์ยากลำบากไม่ปราถนาโราคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนออดแอบแที่ไม่หายรักษาเท่าไรก็ไม่สุขไม่สบายให้พระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ ให้เราก่อยพืชปฏิบัติต่อไปเสื่อความเวียนว่ายตายเกิดของเราจะไม่ผิดหวังนั่นก็คือเรื่องถึงสองหน่อยปัทธาสัมปท า, ป ร, ทาประโยชน์ชาติหน้าเพื่อให้เชื่อจริงที่ก้นเชื่อเชื่อมีเหตุมีผลเชื่อการทำดีจะได้รับความดีตอบแทน การทำชั่วขอรับความชั่วตอบแทนเชื่อในจิตในใจถึงจิตถึงใจจริงๆอย่างจริ ง, ร ง, ร ง, ร ง, รงแล้วไม่ทำไม่พูดไม่คิดในสิ่งที่ผิดที่ชั่วทำแต่สิ่งที่มันถูกพูดแต่สิ่งที่มันถูกคิดแต่แต่สิ่งที่มันถูกเหยียดศรัทธาสัมปทาจาระสัมปทาเสียสาะ เขาของของตนให้แกคนหรือสัตว์ที่ควรให้ควรปันเรียกว่าจาระคือการบริจาค ก, การให้เมื่อเราให้ไปผู้ที่ได้รับเขาก็มีความสุข ก, กายสุขใจของเขาเพราะเขาอดอยา ก, ยากจนเราทุกข้คามทุกหาเขาไป เขาได้รับความสุขอย่างไรความสุขส่วนนั้นเน่ะจะเป็นความสุขของเราต่อไปนี่เป็นเหลืองวัตถุเหลืองภายในจาะ่ะก็คือยอมเสียสละทิฏฐิมานะยอมเสียสละความสุขเล็กน้อยเพื่อกระทาบาเพ็ญความดีของตัวเช่นมาจําศีลเราเคยนอนมี ปุูพาบอหมอนสะดวกสบายแต่มาจำศีลเครื่องอย่างนั้นเรามาในหอบหิวมาด้วยเรามานอนกระดานธรรมดาพื้นธรรมดามันก็มีการเหน็ดเหนื่อยมีการเจ็บปวดแต่กโอดเอาทนเอาย้อนเสียสละมีเรี่ยวไหวจาขะภายในถึงหงงงเห้าวนอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็ย้อมเสียสละ เพื่อจะสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีในจิตในใจของตัวถึงยังไม่เกิดมีก็จะเอากายอันนี้บูชาคุณพระรัตนใจบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนเคยบูชามาแต่เราจะเอากายเอาอาชาเอาใจบูชาพระรัตนใจคือคิดนึกฝึกจิตให้เกิดความเชื่อความเหลื่อมใส ความยินดีเต็มใจในพระพุทธพระธรรมพระ ส, สงฆ์นี่คือการบูชายอมเสียสละโอกาสเวลาถึงหง่วงเงงห้านอนก็ยอมเสียสละไปจะค้าภายในให้เกิดผลเกิดบุญเกิดกุศลจะผูกกระทำบํมเพนนนี่คือประโยชน์สัหน้าที่พวกเราทุกคนจะต้องทากันปัญญาสัมปทา มีปัญญาที่นิพจารณาสิ่งต่างๆให้รู้ให้คอยใจในสิ่งหลนั้ น, น, นตามเป็นจริงของมันผิดให้รู้ว่าผิดถูกให้รู้ว่าถูกชั่วให้รู้ว่าชั่วดีให้รู้ว่าดีนี่คือปัญญาควรฝึกควรรักษาควรประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เป็นในจิตในใจ ท่านเรียกว่าทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์คนศีรษะสมเรื่องเหล่านี้ได้มีมากในจิตในใจของใครแล้วคนนั้นมีอริยทรัพย์คือทรัพย์ประเสริฐตายไปคุณความดีที่เราฝึกหัดปฏิบัติเอาไว้ก็ติดไปไม่ได้เสียหายจะมีความสุขกายสุขใจในการเกิดต่อไป พระพุท ธ, ธจาจ้าสอนเอาไว้แต่นั้นเราทุกคนเกิดมาก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าไม่มีใครที่จะเหลือหรอเมื่อเห็นว่าเราจะตายอยู่อย่างนั้นเราปัจจุบันคุณงามความดีของเรามีอะไรบ้างตายไปจะผิดหวังหรือจะสมหวังก็ควรตรวจตาพิจรารณาศึกษาที่นี้พจะณ า, าในตัว ถ้ามันยังขาดตกบกพร่องอะไรควรจะการทำบำเพ็ญเอาไว้ก็รีบเร่งควนขวายเอาเสียพอตายไปแล้วไม่มีท่าทีอะไรที่จะทําได้มีแต่ฝังแต่เผากันไปหรือไหม่ฝังไหม่เผามันก็เนา่าก็เปื่อยไปตามสภาพของมัน <c oughs> เราจะมีโอกาสเวลาหาคุณงามความดีได้ก็ยังไม่ตายเท่านั้นหที่นี้พิจารณาสอน จิตสอนใจของตัวทำความดีเอาไว้เป็นกำไรของชีวิตถ้าไม่มีความดีอะไรมันก็ไม่มีคุณขาดสาระให้การเกิดมาตามตายถึงเราจะไปอยู่สถานที่ใดมียานพาหนะอะไรขับขี่ไปมันก็ไม่เหลือมันแขนคอเราไปอยู่อย่างนั้น ความดีความชั่วที่เราทำไว้กว็บทำนองเดียวกันมันไม่ใช่แต่ความตายมันแขนคอเราไปแต่ทำความดีเอาไว้ความดีนั่นแหละจะเป็นผลเป็นกำไรของชีวิตเกิดในภพใดชาติใดก็จะสมหวังมีความสุขความสบายตามฐานะหน้าที่ถ้าไม่มีความดีอะไรมีใจบุนอยากได้ดี แต่ไม่ทำความดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความดีถ้เาเราอยากจะกินอันนั้นอยากจะกินอันนี้ถึงของนั่นมีอยู่แต่เราไม่กินเพียงแต่บนจะอยากมันก็ไม่อิม่มถ้าลงมือกินมันก็อิม่มนี่การภาภาปฏิบัติอาจทำสี่พระพุทธเจ้าสอนขอทานองเดียวกันผู้อยากได้ดีสร้างความดีความดีที่เราตองการนั้นจะได้ มาตามปราธนาถ้าหากเราไม่สร้างความดีจะยางไรดีมันก็ไม่มีวันเวลาที่ความดีจะพีดออกผลให้ส่งสอนใจของตัวให้รู้จักชั่วดีอย่างนั้นต้องการอะไรก็ตั้งใจทำกันอย่าไปทำเล่นให้ทำจริงมันไม่เหลือวีสัยถ้าหากเห็นโทษเห็นภัย เห็นการเกิดการตาย <c oughs> เป็นของรายของชั่วของเสียจริงจริงจังๆในจิตในใจอย่างไรก็มีใจจะหนีไม่ยอมอยู่อยู่ในสถานที่ทุกข์ยากลำบากด้รยศโรธใครไข่เจ็บเบียดเบียนไม่มีวันมีเวลาที่จะสุขจะสบายได้ ทางกายไม่มีโรคภัยทางใจก็มีกิเลสตัณหาอยากอันนั้นอยากอันนี้ไม่มีวันมีเวลาหลับตื่นลืมตาก็มีแต่ความอยากทับถมใจแล้วใครที่จะละจะถอนสิ่งเหล่านี้หนีไปเหลือความบริสุทธิ์ทุกคืนทุกวันที น, ทนิพิจารณาหาทางที่จะแก้ไขขับไล่ ความเกี่ยวข้องความติดข้องความ <c oughs> ยึดถือของใจมันก็มีทางที่จะแก้ไขมันได้นี่มันไม่มีโอกาสเวลาให้ที่จะมาคิดขับไล่ความอยากของใจมีแต่กรอบโกยอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไ่ทสาบว่ า, ามันจะเป็นคนเหมาโลกคนเดียว เท่านั้นหรือจะเป็นอย่างไรไม่ทราบโลกทั้งโลกถ้าหากพูดถึงความอยากของเรา <c oughs> มันเป็นไปได้ตามความอยากแล้วมันแคบนะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยคนอื่นอยู่ด้วยไม่ได้เพราะความอยากของเรามันใหญ่ใหญ่กว่าโลกนี้อันนั้นมันก็อยากอันนี้มันก็อยากนี่มันเป็นไปไม่ได้ตามความอยากของตัวตามปรารถนาของตัว มันจึงเป็นแบบนี้คนที่เขาตายไปก่ทำรังเดียวกันกับเราคนที่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจมันยากมันมีวันอื่มเมื่อมันยากมันกดทุกข์คือมันไม่อิ่มให้มันไม่พอให้ถ้ามันพอโดยการประพฤติปฏิบัติตามรากษาสางทินิพเจณาจนถึงขั้นพอตัวข้องมันมันอิ่ม มันพอในจิตในใจริงเหล่านั้นมันมีอยู่อย่างไรก็เห็นตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นไม่มีความอยากแม่พระนิพพานก็ไม่อยากไม่อยากอยากไปอยากเป็นพระอรหันต์อรหันต์ไหมก็ไม่อยากคือมันเห็นมันเป็นในจิตในใจของท่านแล้วนิพพานเป็นอย่างไรก็ทราบแล้วอรหันต์ความสิ้นกิเลศเป็นอย่างไรก็ทราบแล้วท่านจริงไม่มีอยาก จึงหมดปัญหาสำหรับจิตใจเมื่อหมดความอยากทุกมันก็หมดไปความทุกข์ของใจเพราะมันไม่มีอยากนี่เรามันมีแต่จะอยากแต่หิหวอยู่เรื่อยไปเมื่อมันมีอยากทุกมันก็เกิดขึ้นถ้าไม่ได้ตามปราถนาได้มามันยังมีอยากอีกมันก็ทุกข์อีก เรื่องของโลกมันจึงไม่มีเมืองพอสันจึงวาโลกพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นถาดแห่งตันหาโลกอะไรโลกของใจมันพ่องอยู่อย่างนั้นได้เท่าไรมันก็ไม่พอมีเท่าไรมันก็ไม่พอคนที่สุดมันทุกข์เพราะความมีคนเราไม่ใช่ทุกข์เพราะความไม่มีถ้าไม่มีเราไม่ทุกข์ถ้ามีเราทุกข์มันทุกข์เพราะความมีไม่ใช่ทุกข์เพราะความจนเพราะไม่มี มันเป็นอย่างนี้นลงพากันพินิจ ท, ที่เจนาศึกษาปฏิบัติให้เห็นอาจเห็นธรรมในใจคนที่เห็นอาจเห็นธรรมในใจประพฤติปฏิบัติเกิ ค, ความแจกไขเผื่อความละถอนกิเลสคนนั่นแหละจะเป็นคนที่มีกำไรในชีวิตของตัวมีความสุขไม่หวุนวายไม่เดือดร้อน ทั้งอยู่ทั้งตายสบายเราต้องการไหมล่ะความสุขความสบายของใจถ้าต้องการตัวรีบเร่งกระทาบําเพ็ญเพราะเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ใช่ใว่ามีสิทธิ์แต่พระพุทธเจ้าหรือสาวกที่ท่านได้ท่านถึงเท่านั้นเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เป็นอย่างท่าน เมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างท่านความหมดกิเลสตัณหามีในจิตในใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรปัจบันนี้านไปตั้งสองพันกว่าปีก่อตามผู้เห็นได้เห็นทมผู้นั้นเห็นเราจะถากคดคือคือเห็นความบริสุทธิ์ของใจพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกอรหันเป็นอย่างไรเราเห็นพาเราก็ะทำมั่นเพลินเราเห็ น, เ ร, เ, หนเรารู้ในตัวของเรา ท่นเหล่านั้นก็เหมือนกันอย่างนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันจะ่พิีนิพานไปก็เพียงแต่การเวลาที่ผ่านไปเท่านั้นความจริงความบริสุทธิ์มันเหมือนกันกับผูท้ที่เห็นที่เป็นอยู่มันจริงไม่มีอะไรสงสัยแต่นั้นขอทุกคนจงต่างใจประพฤติปฏิบัติธรรมะส่วนนี้มันมีอยู่ประจําโลกไม่ได้เหยียดหายไปที่ไหนใครต่างใจประพฤติปฏิบัติก็จะเห็นแจ่มแจ้น จะเย็นจะส ง, งบตาใทสงสัยลังเลไม่ต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติไม่รักษาแต่อยากมีความสุขความสบายอยากมีความเย็นภายในใจมันก็เย็นไม่ได้เพราะไฟลาะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ทุกการทุกเวลามันจะเย็นอย่างไรไฟมันมีอยู่ตาดับไฟ เหล่านี้ไปเมื่ อ, อไรความเย็นไม่ต้องไปต้อ <c oughs> เเรียกร้องที่ไหนความเย็นมันก็เกิดขึ้นเพราะไปมีไฟจงพากันละสิ่งจีกวนละบำเพ็ญสิ่งจีกวนบำเพ็ญกาจัดไฟที่มันใหม่มันเผากายใจของเราให้ตกไปความเย็นความสบาย มันจะเกิดขึ้นไต่ต้องไปหาที่อื่นความสุขความเย็นถ้าแต่ทำบ ม, มเพ็ญถูกต้องตามธรรมะที่พระพุทธเ จ, จ้าสอนแล้วเราทุกคนก็จะมีความสุขความสบายภายในตัวไม่มีอะไรจะสงสัยว่าเราอาภัพอับหวาสนะประพื่ปฏิบัติไม่ก้าวหนะ้าต่าง จิตตั้งใจประพืชปฏิบัติจริงจังมันจะเห็นจะเป็ี่ยนจะไม่มีการสงสัยในการกระทำ ม, มุมเพลเนี่ยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่หมดไปที่ไหนไม่หายไปที่ไหนธรรมวินัยยังอยู่ผูกประพฤติปฏิบัติยังอยู่ผันรับรองว่าพาลังหันไม่ขาดจากโลกถ้าหากไม่มีผูกประพฤติปฏิบัติ ตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสืบสอนไว้ถึงพระพุทธองค์ยังทรงพระสนอยู่ผู้คนเหล่านั้นมันปรากฏสงสัยไม่มีอะไรจะเป็นบุญเป็นกุ้สนคือความสุขความเจริญแก่เขาแต่เขารประพฤติปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าหลวงราบดับหายไปสัตว์ที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกายใจตามคําสอนก็ยังมีความสุขความเจริญอย่างที่พระพุทธองค์ ยังทรงพระสนอยู่ดังนั้นขอทุกคนจงสนใจตางหนา้าต่างตาก็าาพฤติป ฏ, ปฏปิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรจะเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง